วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2569เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมผู้ปรารถนาความสุขอันเลิศอันประเสริฐของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมธรรมที่จะเอามาแสดงในวันนี้คือเรื่องนัตติสันติบาลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุด ข, ของโลกก็คือความสุข ที่เกิดจากความสงบของใจ mm hmm. ความสุขอย่างอื่นเช่นความสุขจากลาบยศทลเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสทุตภะชนิดต่างๆเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นความสุขที่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ mm hmm. แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ เป็นความสุขที่ยั่งยืนและถาวรเราสามารถเอาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ทรัพสมบัติอย่างอื่นเช่นลาบยศสรรเสริญเช่นความสุขจากการได้เสพรูปเสยอกลิก่นรสต่างๆจะไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เลย ความสุขของความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบจึงเป็นความสุขที่สาคัญและเป็นความสุขที่พวกเราควรที่จะไฝ่ฟ้าเข้าหากันให้ได้เพราะเมื่อเราได้ความสุขจากความสงบแล้วมันก็จะเป็นของเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอด ความสุขท <as> ี่เกิดจากความสงบนี้ก็มีแบ่งไว้สองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเป็นความสุขแบบชั่วคราวความสงบแบบชั่วคราวระดับที่สองเป็นความสงบแบบถาวรความสุขระดับที่หนึ่งหรือความสงบระดับที่หนึ่งนี้เป็นความสงบแบบชั่วคราวคือเป็นความสงบจากการได้นั่งสมาธิ ได้ทำใจให้นิ่งให้สงบด้วยการควบคุมใจให้หยุดคิดปรุงแต่งด้วยการเจริญสติให้ร ะ, ะลึกนอยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้นิ่งให้สงบพอเวลาใจหยุดคิดใจนิ่งสงบความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง จะปรากฏขึ้นมาในใจแต่จะอยู่ได้ชั่วขณะที่ใจอยู่ในความสงบอยู่ในความนิ่งเท่านั้นพอถอนออกจากสมาธิพอใจเริ่มออกมาคิดปรุงแต่งเริ่มมาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลึภชนิดต่างๆกับอารมณ์ต่างๆความสุขที่ได้จากความสงบก็จะค่อยๆจางหายไป แล้วก็ความทุกข์หรือความอะไรต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาต่อไปถ้าอยากจะได้ความสงบอีกก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิอีกก็จะต้องมีการเข้าสมาธิไปอยู่เรื่อยๆแต่จะไม่สามารถรักษาความสงบที่ได้จากสมาธินี้ให้อยู่ไปตลอดหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้ว นี่คือความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบในขั้นที่หนึ่งคือขั้นสมาธิเราต้องฝึกขั้นสมาธิให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นที่สองคือความสุขแบบยั่งยืนถาวรก็คือความสุขของพระนิพพานพระนิพพานก็คือความสงบที่ยั่งยืนถาวร ไม่ต้องเข้าสมาธิก็มีความสงบมีความสุขเหมือนกับเข้าสมาธิได้อันนี้เกิดขึ้นจากการเจริญปัญญาที่เราเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาคือการสอนใจให้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจเราหายจากความสงบเวลาที่เราออกจากสมาธิมา เหตุที่ทาให้ใจเราหายจากความสงบเวลาที่เราออกจากสมาธิมาก็คือความอยากต่างๆที่เรียกว่าตัณหา<ม>เช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัฑ์เรียกว่ากามาตัณหาความอยากมีอยากเป็น<ม>เช่นอยากร่าอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตและริภาวาตัณหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นต้นอยากไม่ยากจนอยากไม่ทุกข์ยากลำบากพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะหายไปไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจสงบแบบยั่งยืนถาวรแบบเวลาที่ออกจากสมาธิแล้วยังสงบ เหมือนกับขณะที่อยู่ในสมาธิอยู่มีพระพุทธเจ้าเพียงพอของเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเหตุรู้เหตุของการไม่สงบของใจว่าเกิดจากตัญหาความอยากที่มีมากับใจอยู่ตลอดเวลาที่เป็นเหตุที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากทั้งสามนี้ คือการมาตัญหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสสดสภาพชนิดต่างๆภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าสามารถหยุดตัญหาความอยากเหล่า น, นี้ได้ความไม่สงบของใจก็จะหายไปความสงบก็จะกลับคืนมา เหมือนกับการได้เข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็จะสงบไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้ า, าตาบใดสามารถกาจัดความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในแต่ละครั้งได้ความอยากที่ปรากฏขึ้นมาในแต่ละครั้งหลังจากที่ได้กาจัดด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่มีวันกลับคืนมาอีก ก็จะไปหายไปอย่างถาวรพอไม่มีความอยากที่เป็นตัวมาสร้างความความวุ่นวายใจตัวที่มาทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิใจก็จะสงบโดยธรรมชาติไม่มีอะไรมาทำให้ใจต้องไม่สงบอีกต่อไปใจที่สงบอย่างยั่งยืนถาวรด้วยการ ด้วยการกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวมาคอยทำลายความสงบของใจพอไม่มีความอยากอยู่ของเราอยู่ใ้ใจใจก็จะสงบไปตลอดเจ็บเจ็บกับบ้านเมืองบ้านเมืองวุ่นวายก็เพราะว่ามีคนไม่ดีมาคอยสร้างเรื่องวุ่นวายต่างๆมีโจรมีผู้ร้ายมาสร้างความไม่สงบให้กับบ้านเมือง พอจเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถกำจัดโจรผู้ร้ายต่างๆคนไม่ดีต่างๆให้หมดไปจากสังคมได้แล้วสังคมก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขฉันนั้นอันนี้เป็นความสุขขั้นที่สองความสุขที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรแล้วเมื่อเราสามารถทำให้ ใจมีความสงบมีความสุขรย่งแบบยั่งยืนถาวรแล้วก็ไม่มีอะไรจําเป็นจะต้องทําอีกต่อไปใจที่สงบยั่งยืนอย่างถาวรนี้มีความอิ่มมีความพอตลอดเวลาไม่มีความอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสผดสภาพชนิดต่างๆไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่มีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็จะเป็นใจที่จะไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่เป็นความสุขที่สุดสุดยอดของความสุขก็คือความสุขของพระนิพพานนิบานังบาลมังสุขขังความสุขที่เป็นบรลมัสุขสุดยอดของความสุขด้วยความสุขของพระนิพพานคือใจที่ปราศจากความอยากต่างๆหรือใจที่ได้รับการชำระความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยปัญญา ปัญญาที่จะเอามากำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปคืออะไรคือความรู้ในความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงที่ความอยากอยากได้มาเช่นความอยากได้รูปเสียงกดลิ่นรสผธตะพะมาเสพปัญญาก็จะรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของ รูปเสียงกลิ่นรสผลพัทธ์ชนิดต่างๆที่การหาความอยากต้องการว่าเป็นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะอย่างไรเพราะว่าเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขแบบชั่วคราวเวลาที่เราอยากจะเส่รูปเสียงกลิ่นรสเราก็คิดว่าถ้าได้ไปดูได้ไปเส่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราจะมีความสุขกันเราก็ไปเส่กัน พอไปเสพแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้จากนั้นมันก็จางหายไปเพราะรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้เสพมันก็เป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของชั่วคราวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอเวลามันหมดไปหรือมันเปลี่ยนไปความสุขที่ได้รับจากมันก็จางหายไปก็ปล่อยให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายปล่อยให้เกิดความหิวเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีพอเกิดความอยากขึ้นมาใหญก็เริ่มทุกข์แล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วต้องไปดิ้นรนไปหาสิ่งที่อยากได้มาเสพดังนั้นถ้าไปเสพสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับการไปเสพยาเสพติด <c oughs> ยาเสพติดนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณมันให้ความทุกข์มากกว่าให้ความสุข พราะว่าเวลาเสดสิ่งที่เราอยากจะเสดเราก็มีความสุขในขณะที่เราได้เสดมันแต่ความสุขที่ได้จากการเสดนั่นมันก็ไม่อยู่อยู่ได้ไม่นานมันก็จางหายไปหมดไปพอมันจางหายไปหมดไปมันก็ทําให้เรารู้สึกเศร้าสร้อยองหงอยเหงารู้สึกหนวดเหยียดลาคาญใจขึ้นมากลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วในใจของเรา เราก็ต้องไปหามาเสพใหม่เสพไม่ว่าจะเสพได้กี่ครั้งมันก็จะต้องกลับมาเจอความทุกข์ในวัานปลายคือทุกจากการมีความรู้สึกหดเหยียดใจลำคาญใจรู้สึกเข้าซ่อยหงอยเหงาซึมเศร้าอะไรต่างๆขึ้นมานี่คือการใช้ปัญญาให้มองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากจะเสพที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี่ ความจริงมันเป็นความสุขแค่ป๋ยวประดาวเวลาได้เสพได้สัมผัสใหม่ๆก็มีความสุขดีพอสิ่งที่เราได้เสพได้สัมผัสจางหายไปเปลี่ยนไปหรือหมดไปความสุขที่ได้มามันก็หมดไปความเศร้าก็เข้ามาแทนที่ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทุกครั้งไปนี่คือธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสผลธัพทะชนิดต่างๆนะ ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องมีการดับไป <c oughs> สิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเราสิ่งที่เราใช้เสพให้ความสุขกัเราหายไปดับไปความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็หมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันที ความเศร้าโศกเสียใจก็ตามมาทันทีเช่นเวลาที่เราสูญเสียคนที่เราลากไปคนที่เป็นคนที่ให้ความสุขกับเราพอวันหนึ่งเขาจากเราไปพอเขาจากเราไปความสุขที่ได้จากเขาก็หายไปและความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทันทีความเศร้าโศกเสียใจก็เข้ามาแทนที่เพราะความอยากของเรายังอยากให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆ อยากให้เขาให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆเราเขาไม่ให้ความสุขกับเราเขาไม่ได้อยู่ให้ความสุขกับเราแล้วเราก็ไม่มีความสุขเราก็มีแต่ความเศร้าสศกเสีย ใ, ใจนี่คือปัญญาถ้าเราอยากจะใช้อยากจะทำให้ใจของเรานี้สงบไม่วุ่นวายไปกับความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากเราต้องมองในสิ่งที่ความอยากต้องการว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข ให้มองว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เป็นทุกข์ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขก็เป็นสุขในเบื้องต้นสุขตอนที่เราได้มาเช่นถ้าเราวันนี้ถูกกัตตลี่อย่างเงี้ยเราก็จะเกิดความสุขขึ้นม า, ท, าทันทีได้เงินไปรับรางวัลมีความสุขเวลาได้เงินมาแล้วเราก็เอาเงินนี้ไปใช้ไปกินไปเดินไปเที่ยวไปอะไรของเราไปตามวามต้องการของเรา เดี๋ยวไม่นานเงินก้อนนี้ก็หมดพอเงินหมดแล้วความสุขที่ได้จากเงินก้อนนี้ก็หายไปไม่มีเงินใช้ทีนี้ก็หงุดหงิดลำคาญใจเท่าซ้อยห้อยเหงาขึ้นมาเพราะไม่สามารถใช้เงินไปซื้อความสุขแบบที่เคยใช้ได้ที่เคยได้ใช้มาความทุกข์ก็เลยเข้ามาแมทนที่นี่แหละคือวิธีการของปัญญา ต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความสุขกับเรานี้มันไม่ยั่งยืนถาวรมันให้กับเราได้ในในในระดับหนึ่งหรือว่าในประมาณหนึ่งถ้าไม่ช้าก็เร็วมันก็จะหมดไปเสื่อมไปพอมันหมดไปเสื่อมไปความสุขที่มันให้กับเราก็หายไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ความสุขนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาความเศร้าโศกเสียใจ ความเศร้าสร้อยเหงาเงต่างๆ<ม>นี่แหละคือธรรมชาติของความสุที่คนในโลกเราแสวงหากันลาบก็คือเงินทองต่างๆ<ม>อยากจะได้เงินได้ทองกันแต่ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งถ้าเวลาเงินทองหมดไม่มีเงินทองใช้แล้วจะทำอย่างไร<ม>ก็จะต้องเจอกับความทุกข์<ม>เรื่องยศก็เหมือนกันยศตาแหน่งทุกคนก็อยากได้ยศได้ตาแหน่ง วเวลาได้ยศขึ้นมาก็ได้มีหน้ามีตามีคนเคารพนับถือมีอำนาจสามารถสั่งการให้ทํานู่นทํานี่ได้ตามความต้องการแต่พอตกพอตกจากอำนาจมาพอตําแหน่งหมดไปหมดวาระไปกลายเป็นคนไม่มีอำนาจ <c oughs> ก็ไม่มีความรู้สึกมีความสุขมีความรู้สึกเศร้าซ้อยอเอียบงัน ยศลายศการรเซิร์นก็คือการได้รับรางวัลต่างๆได้รับเหรียญทองได้รับรางวัลตุ๊กตาทองหรืออะไรก็ตามแส<ม>ดงความเก่งกาจความสามารถของเราพอเวลาที่ปีไหนไม่ได้รับรางวัลก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาต่อให้ได้รับรางวัลกี่ครั้งได้เหรียญทองกี่เหรียญก็ตามพอปีต่อไปพอไม่ได้รับก็รู้สึกเศร้าแล้วไม่มีความสุขเลย รูปเสียงกลิ่น้วก็ก็เหมือนกันเวลาเราได้ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเช่นเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเวลาได้ไปเที่ยวก็มีความสุขเพลิดเพลินพอเงินหมดก็ต้องกลับบ้านกลับมาทํางานความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปก็ต้องขยันทํางานเก็บงเบงนินเก็บทองไว้เพื่อที่จะได้ไปเที่ยวอีกแต่มันก็มีขีดจํากัดการไปเที่ยวด้วย ด้วยตาหูจมูกนิ้วกายนี้ก็ต้องใช้ร่างกายที่มีกำลังวังชามีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะวันไหนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือร่างกายแก่ชราหรือร่างกายใกล้จะตายเวลานั้นการจะหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้มันไม่สามารถมีความสุขสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจนั่นเอง นี่คือการใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าในการพิจารณาเพื่อหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจ<ม>เราต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทใจอยากได้สภาวะธรรมทั้งปวงนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็ดีใจเวลาหมดไปก็จะเสียใจ<ม>อนัตตาเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ หรือห้ามไม่ให้สิ่งที่ไม่ดี <Đ úng. S 2> เข้ามาหาเราไม่ได้เราอยู่ในโลกที่มีทั้งสิ่งที่ดี<ฯ>มีทั้งสิ่งที่ไม่ดี<ฮ>เวลาเขาเข้ามา<ฮ>ถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับเขา<ฮ>เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา<ฮ>ความทุกข์ใจก็เกิดจากความอยากของเรานี่เอง<ม>อยากให้สิ่งที่ดีเข้ามามอยากให้สิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาแต่เราก็ไปห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ เวลาอยากให้ส the ิ่งที่ดีเข้ามากลับไม่เข้ามากลับเอากลับมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเวลาที่อยากให้สิ่งที่ไม่ดีกลับหายไปมันก็ไม่หายไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทาให้เปลี่ยน มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีเหตุการณ์แปลกๆใหม่ๆขึ้นปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับอะไรได้ถ้าเราไปอยากหรือไม่อยากกับมันมันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ใจเราวุ่นวายใจได้แต่ถ้าเรามองว่าเขาเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปทำอะไรได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาได้เพราะเราจะหยุดความอยากของเรา พออยากไปก็รู้ว่าจะสร้างความทุกข์ให้กับเราไปเปล่าๆเว ล, า เ, ลาเราอยากให้อะไรเกิดขึ้นแล้วมันไม่เกิดขึ้นนี่มันจะทาให้เราทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากมันก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาอ่า น, นี่คือวิธีการของการกาจัดความอยากต่างๆเพื่อให้ใจนี้สงบไปตลอดไม่ให้ใจต้องมีความทุกข์กับเรื่องอะไรอีกต่อไปทำให้ใจมีความสงบมีความสุขอยู่ตลอดเวลา จำเป็นที่จะต้องมีปัญญาคือมองให้เห็นสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นตายรักนีเ่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดไปติดกับของไม่เที่ยงเวลามันเปลี่ยนไปมันก็จะทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถสั่งให้มันไม่เปลี่ยนไม่สามารถเอาสิ่งที่เรารักเราชอบนี้ให้อยู่เหมือนเดิมไปตลอดเวลาได้ มันเวลาผ่านไปสิ่งที่เรามีมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปและในที่สุดมันก็ต้องหมดไปต้องจากเราไปนี่คือการใช้ปัญญาเพื่อการมาหยุดความอยากที่เป็นตัวมาสร้างความไม่สงบให้กับใจที่ทำให้ใจต้องดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะความอยากต่างๆนี่แต่ถ้าเรามีปัญญาสามารถสอนใจให้หยุดความอยากได้ พราะเราเห็นว่าการไปหาสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเพราะว่าเราไม่สามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาไม่ให้มันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราไม่สามารถสั่งหรือห้ามมันได้มันจะต้องมีการพลิกกลับไปกลับมางนั้นทางที่ดีสุดก็อยากไปอยากได้อะไรอยู่เฉย หยุโดยาปัจจารความอยากปัจจารกามาตฐานหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสปัจจารกามาตหาให้ปัจจารภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นปัจจารวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นการที่เราจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมีกําลังที่จะหยุดมันกําลังที่จะหยุดมันก็คือสมาธินี่ดนั้นเบื้องต้นเราจึงต้องมาฝึกสมาธิกันก่อน การจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติเพราะสติจะเป็นผู้ที่จะควบคุมทําให้ใจนิ่งสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาสติเป็นเหมือนเบรกของรถยนต์<ม>เวลาที่รถยนต์วิ่งไปเรื่อยๆ เ, <ม>เวลาที่เราต้องการให้รถยนต์หยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกถ้าไม่มีเบรกรถยนต์ก็จะไม่ก็จะไม่หยุดมันก็จะวิ่งของมันไปเรื่อยๆใจของเราก็เหมือนกันใจของเรานี่ปกติมันจะคิดของมันไปเรื่อยๆ นั่งต่ตื่นขึ้นมาจนถึงบ่า น, นี้ใจเราเคยหยุดคิดบ้างหรือยังคิดมาตลอดคิดมาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาแล้วจะคิดไปยังทั่งถึงเวลานอนหลับแล้วหลังจากนอนหลับบางทีก็คิดต่ออีกคิดไปในรูปแบบของความฝันฝันถึงเรื่องนั้นฝันถึงเรื่านี้ความฝันเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความคิดของใจนี้นั่นเองแล้วพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มคิดกันใหม่ยิงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ เพราะว่าไม่เคยหยุดคิดไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการหยุดคิดหรือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่แต่ถ้าเรามีสติเราพยายามฝึกสติคอยเหยียบคอยเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวความคิดมันก็จะหยุดหยุดนิ่งเหมือนกับรถยนต์ถ้าเราคอยเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวรถยนต์ที่วิ่งอยู่มันก็ต้องหยุด ดาใดถ้าเราไม่ปล่อยเบรกถ้าเราเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะต้องหยุดแต่ถ้าเราหยุดเราเหยียบเบรกเพียงครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งต่อไปมันก็จะไม่หยุดการฝึกสติจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกสติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ฝึกสติเชื่อแค่แวับเดียวแค่ควบคุมชั่วประเดียวปะดาแล้วก็ปล่อยให้มันคิดต่อไปมันก็จะไม่สงบถ้าอยากจะให้มันสงบนี้เราต้องมีการฝึกสติ ให้หยุดคิดอย่างต่อเนื่องเราต้องเหมือนเจริญสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิต้องมีสติแล้วเลือกรู้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมให้ใจนิ่งให้ใจสงบอารมณ์ที่จะทำให้ใจนิ่งใจสงบนี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้ก็มีอยู่ต้องสี่สิบชนิดด้วยกันในตำราแต่เวลาเราใช้นี่เราต้องเลือกใช้เอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งสาหรับผู้เริ่มต้นใหม่ๆนี้ก็มักจะ นิยมใช้คาบริกรรมพุทธโธพุทธโธให้เราเลิกถึงพุทธเจ้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยตั้งแต่ยังไม่นั่งสมาธิเราก็ต้องเจริญสติก่อนพอลืมตาขึ้นมาก็พุทธโธพุทธโธคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตไม่ให้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่ในปัจจุบันนั่นเราตื่นขึ้นมาเราลุกขึ้นมาก็ดูว่าร่างกายกําลังทําอะไรกําลังยืนกําลังเดินก็เฝ้าดูไป ถ้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําอะไรก็ดูไปให้อยู่กับงานที่กําลังทําในปัจจุบันอยากว่าให้คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ให้อยู่กับพุทโธหรือให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเพื่อคอยกําจัดความคิดต่างๆถ้าเรามีสติแบบต่อเ น, นื่องแล้วเวลาเรามานั่งสมาธิเรานั่งหลับตาเราจะใช้คําบริกรรมก็ได้พุทโธพุทโธไป ถ้าเรามีสติเราก็จะอยู่กับพุทโธเราจะไม่ไปเผลอไปคิดถึงคนนั้นเผลอไปคิดถึงคนนี้หรือถ้าเราอยากจะดูลมเราก็ดูลมที่ปลายจมูกดูลมหายใจที่เข้าออกที่ปลายจมูกอยู่ตรงจุดที่สัมผัสเข้าออกตรงปลายจมูก <problèmes> ให้เฝ้าอยู่ที่จุดนั้นให้ดูอยู่ที่จุดนั้นให้รู้ว่าเข้าให้รู้ว่าออกให้รู้ว่าสัา้นรู้ว่ายาวให้รู้ว่าหยาบหรือรู้ว่าละเอยียดไม่ต้องไปควบคุมบังครับให้รู้เฉย ще. ให้ดูไปตามธรรมชาติของลมปล่อยให้ลมหายใจไปตามปกติของเขาอย่าไปสั่งเขาให้หายใจลึกหรือให้หายใจยาวอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีดูลมดูลมคือให้ดูเฉยๆผูกใจไว้กับลมเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงอดีตไม่ไปคิดถึงอนาคตถ้าสามารถมีสติต่อนนอ้ได้นั่งสมาธิเพงห้านาทีใจก็สงบได้พอสงบแล้วก็จะเข้าสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบ เราก็จะอยู่ในสมาธิชั่วระยะหนึ่งจนกว่ากําลังสติที่เราได้ฝึกฝนมาหมดกําลังก็จะถอนออกมาพอถอนออกมาเราก็มันจเจริญสติใหม่สร้างสติขึ้นมาใหม่ให้มีกําลังเพื่อที่จะกลับมานั่งเข้าสมาธิใหม่เราต้องพยายามเข้าสมาธิให้มากเข้าให้บ่อยเข้าไปจนกระทั่งเราสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการและทุกครั้งที่เราเข้าสมาธิมันก็สามารถนิ่งสงบได้ทุกครั้งที่เราต้องการ อันนี้เราก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบในขั้นที่หนึ่งคือความสงบแบบชั่วคราวความสงบที่เกิดจากการได้ได้สมาธิได้ทําใจให้สงบพอเราได้ความสุขอย่างอย่างชั่วคราวแล้วเราชํานาญแล้วทุกครั้งที่เราต้องการเข้าสมาธิเราก็เข้าได้ทุกเวลาเวลาจะสมาธิมาแทนที่เราจะใช้ใช้สติรักษา ใช้การเจริญสติแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ปัญญาเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาพอออกจากสมาธิมาพออยากจะไปดื่มกาแฟาอยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็สอนใจว่าเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่จะทำให้ติดแล้วจะมีความทุกข์ตามมาเวลาที่เราไม่ได้เสกไม่ได้สัมผัสให้เห็นความทุกข์ของสิ่งที่เราอยากจะเสกแล้วเราก็จะได้หยุดความอยากเหล่านั้นได้ พอเราหยุดความอยากไปดื่มกาแฟไปดูหนังไปฟังเพลงได้ใจก็กลับมาสงบอีกต่อไปใจเราก็จะใช้ปัญญาคอยกําจัดความอยากต่างๆไปเรื่อยๆในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วต่อไปความอยากต่างๆที่มีในใจเราก็จะถูกกําจัดไปหมดด้วยกําลังของปัญญาคือการเห็นตายรั้งในทุกสิ่งทุกอย่างที่ความอยากต้องการนั่นเองแล้วในที่สุด ความอยากที่มีอยู่ในใจทั้งหมดก็จะหายไปหมดเราความอยากในใจหายไปหมดก็จะไม่มีอะไรมาคอยทำลายความสงบของสมาธิเวลาที่เราออกจากสมาธิมาความสงบก็จะอยู่ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่อีกต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระหลันตสาสมุคท่านมีความสงบตลอดเวลาท่านไม่ต้องเข้าสมาธิท่านจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ผลผลเท่ากัน คือใจสงบมีความสุขแล้วก็ความสุขทั้งปวงนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเข้าหากันเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปกับเราแต่ความสุขอย่างอื่นความสุขจากลาบยศสรรเสริญนี้มันมันอยู่กับเราได้เพียงชั่วคราวพอร่างกายนี้ตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลย นั่นอย่าไปหลงไหลกับความสุขแบบชั่วคราวความสุขแบบยาเสพติดเพราะมันจะทําให้เราติดแล้วมันจะทําให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆพอเราตายไปความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสย่างจะเสพลาบยศ ส, สริญยังมีอยู่มันก็จะดึงให้ใจเรากลับมามาเกิดใหม่มันมีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาหาราบยศสนยศสญสุขใหม่แล้วก็มาทุกกับความเกิดแก่เจ็บตายใหม่ ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปยังไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราทําตามที่วิธีที่พระเจ้าทรงสอนคือสร้างความสุขสองระดับระดับแรกความสุขจากการทําสมาธิและระดับที่สองความสุขจากการใช้ปัญญากําจัดความอยากเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาใจรักเพื่อหยุดความอยากต่างๆพอเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้ เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หมดแล้วใจก็จะได้ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปจะมีความสุขไปตลอดอยู่เฉยๆก็มีความสุขเดินยืนนั่งนอนอยู่ในระยะบนไหนมีความสุขตลอดเวลาปรมังสุขขงังนะนี่แหละคือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบด้วยสมาธิและด้วยปัญญาตามลาดับดังที่ได้ แจ้งในหัวข้อไว้ว่านาัตสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็หมดเวลาพอดีสนหรับการแสดงธรรมเพราะเราจะแบ่งเวลาอีกประมาณครึ่งหนึ่งให้กับการมานั่งสมาธินี่มาสร้างความสุขหลังจากเราฟังทฤษฎีแล้วเราต้องทำให้มันปรากฏขึ้นมาในใจด้วยการปฏิบัติการฟังธรรมะเฉยๆเพียงอย่างเดียวนี้ ยังไม่สามารถทําให้ใจสงบได้ต้องมาขั้นปฏิบัติคือจเจริญสตินั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็มีสติคอยกํากับใจให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับอารมณ์เช่นพุโทโธพุธโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกไป <c oughs> หรือถ้าท่านมีวิธีอื่นมีกรรมฐานชนิดเดินที่ท่านเคยใช้อยู่ก็สามารถเอามาใช้ได้ไม่ไม่จำกัดว่าจะต้องใช้พุโทโธอย่างเดียวหรือใช้การดูลมหายใจอย่างเดียว บางสำนักอาจจะให้ดูให้เพ่งดูพระพุทธรูปก็ได้ให้เพ่งดูดวงแก้วก็ได้หรือให้บริกรรมสัมมาอรหังก็ได้ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเป็นอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้เหมือนกันกรรมฐานชนิดใดที่ท่านเคยใช้มาแล้วเราสามารถทําให้ใจของท่านให้นิ่งให้สงบได้ก็ให้ใช้อย่างนั้นไปแต่ข้อสําคัญเวลาที่นั่งสมาธิอยู่นี้อย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมา มีอะไรปรากฏขึ้นมามีแสงมีสีมีเสียงมีอะไรมีความรู้สึกอะไรมีความปิติมีสุขมีทุกข์มีอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจเป็นของหลอกเป็นของที่จะมาหลอกให้เราเสียสมาธิมันจะทำให้เราเข้าสมาธิไม่ได้ถ้าเราไปให้ความสนใจกับมันให้เราสนใจอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวถ้าบริสต์พุทโธก็บริสต์พุทโธไปอย่างเดียวจิตงนี้เข้าสู่ความสงบได้ ขั้นต้นนี้เราต้องการให้จิตนิ่งสงบด้วยสมาธิด้วยสยติเท่านั้นไม่ต้องการเจริญทางปัญญาปัญญานี่เป็นอีกขั้นหนึ่งตอนนี้ขั้นแรกเราต้องให้ได้สมาธิก่อนแล้วเราถึงจะมีกำลังไปเจริญปัญญาต่อไปได้แลต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาประมาณสักยีส่านาทีด้วยกัน ตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกให้สังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลานั่งอยากจะให้มันสงบเหมือนวันนี้ก็ใช้วิธีนี้ไปก็จะสงบได้เหมือนกับวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ทําให้มันสงบต้องวิธีนั่งแบบวันนี้ ถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยควรจะเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับให้มีอยู่กับพุโทโธอยู่ ก, การเดินการทำอะไรต่างๆของร่างกายอย่าให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วต่อไปเราก็จะมีสติมากขึ้นนั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายและนานขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาฮาปุราปริกุเลนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ oh ุปกาปติอ an ิทิตังปทิต um ังตุมังคิะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติ 阿拉โสยทาสพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตายยสุขิติขายุโกภวาอภิวาทานสิลิศานิจังวุฒาปจายโนจตารูธรมมวัานติอายุวันโสุขัง ช่วงตอบไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกเพราะถ้ามาถามตอนที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกจะไม่ได้คำตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไรเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนากุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ266ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์316 YouTube ดร v 46วิทยุออนไลน์5คลับ h o u s ์2นากุติ201รวมทั้งหมด836ท่านค่ะ คำถามจพูดเรบฟังนะ้ากุติค่ะความพอใจความไม่พอใจเป็นอย่างไรครับเวลาได้เงินมาพอใจนะ <c oughs> เวลาคนขโมยคนขโมยเงินไปไ ม, ไม่พอใจหรือเปล่าก็แค่นี้แหละความรู้สึกในใจเราถ้าเราแฮปปี้ก็พอใจถ้าไม่แฮปปี้ก็ไม่พอใจค <c oughs> ำถามจะพูดเราฟังนะ้ากุติค่ะ ลูกสาวกระผมอายุ14มีอาการซึมเศร้ามีภาวะทำร้ายตนเองคิดฆ่าตัวตายผมกับภรรยาอย่าร้างกันอาศัยอยู่กับแม่แม่มีความคิดว่าธรรมาไม่สามารถช่วยอาการป่วยได้รักษาแต่แนวทางสมัยใหม่ขอพระอาจารย์ช่วยแสดงธรรมครับคือโรคจิตนี่มันเกิดจากความอยากนั น, นะความอยากแล้วการไม่มีสติควบคุมความอยาก พออยากได้อะไรแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจเศร้าใจถ้าอยากบ่อยๆเข้าผิดหวังบ่อยๆเข้าก็เลยกลายเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นโรคที่อยากจะคิดฆ่าตัวตายถ้าอยากจะให้หายก็ต้องใช้สติคอยควบคุมความอยากต้องพยายามมันสร้างสติขึ้นมาเหมือนที่เรามาสร้างกันณที่นี้ถ้ามาปฏิบัติธรรมทุกทิศยเนี่ยอาทิตย์ละสองสาวันเนี่ยนับว่าช่วยได้ รับประกันว่าโรคซึมเศร้าโรคอะไจะหายได้มานั่งสมาธิมาฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ฝึกสติได้ทุกเวลาอย่าปล่อยให้ใจคิดอย่าปล่อยให้ใจอยากเท่านั้นเองเพรปล่อยให้คิดให้อยากแล้วพอไม่ได้นางใจอยากก็จะเสียใจก็จะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาคําถามจากผู้รับฟังนากุติค่ะ How to stop worrying about things that can't control? I'm curious what the purpose of life. Thank you. Well, you cannot stop things because this is the way things are. It's the work of nature. Like the like the storm, the flood, the fire and the rain. Everything is like natural process. You cannot prevent or stop them from coming or happening. So all you can do is just let it be. Let it be. Sing the song. Let it be. Or kesa la sera. Whatever will be, will be. And just don't bother wasting your time trying to manage things because it's beyond your control. And the purpose of life, if you meet the Buddha, the Buddha says the purpose of life is, is to stop rebirth because with rebirth you have aging, sickness, and death. You have suffering. If you don't want to have aging, sickness, and death and suffering, then you have to stop rebirth. One day, no birth, then there will be no aging, sickness, no death, no suffering. q u า s t i o n f ทาง Facebook: ค How can เร deal เ i t h the suffering that comes from t h i า k i n g the same things over and over again? We just have to stop thinking. เวลาจะคิดถึงเรื่องที่ทําให้เกิดความทุกข์ก็พุทธโธพุทธโธพุทธโธไปหรือส่วนมนต์ไปภายในใจก็ได้พุทโธพุทธทัททงสระนังกฉามิธรรมังสละนังกชามิสังขังสละนั ง, งกฉามิสวดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดคิดนะ <c oughs> ถ้าหยุดคิดแล้วความความคิดมันก็จะหายไปความทุกข์ก็จะหายไปคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ การโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจไม่ดีใช่ไหมครับหรือเราทำเหตุผิดตั้งแต่แรกเลยได้โกหกหรือเราทาเหตุผิดตั้งแต่แรกเลยได้โกหกคนอื่นขอเมตตาทาจากพระอาจารย์ครับการโกหกจะทำให้เราเสียคุณค่าของเราไปความน่าเชื่อถือในตัวเราจะน้อยลงไปจนกลายเป็นคนไม่มีคุณค่าไปพระเจ้าทรงสอนพระราหุนเรื่องของการโกหก พระอาหุนี่เป็นลูกชายตอนอายุหกเจ็ดขวบบวชเป็นเณนทรงสอนเรื่องการโกหกไม่ไม่ควรโกหกท่านยกขันน้ําขึ้นมาขันหนึ่งเต็มน้ําเต็มขันแล้วทุกครั้งท่านก็บอกว่าเวลาที่เธอพูดโกหกก็เหมือนเทน้ําที่มีอยู่ในขันนี้ออกไปทีละนิดเท่หน่อยต่อไปน้ําในขันนี้ก็จะหมดน้ําในขันนี้ก็คือความน่าเชื่อถือของเธอก็จะหมดไปถ้าเธอโกหกบ่อยๆเข้า ต่อไปก็จะไม่มีใครเขาเชื่อถืออะไรเราอีกต่อไปคุณค่าของเราก็หมดไปเครดิตก็หมดไปไปขอบตดเครดิตเขาก็ไม่ออกให้แล้วคาถามที่ว่าเราทำเหตุผิดตั้งแต่แรกเลยเลยเป็นเหตุให้เราต้องโกหกใช่หรือไม่ครับการโกหกนี้ส่วนใหญ่เพื่อปกปิดความชั่วของเราแลวไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่ า, าทาผิด อยาให้คนคิดว่าเรายังดียังเด่นยังสะอาดยังสวยอยู่แต่ความจริงเราโสโปรกจิตใจเราไม่สะอาดไม่ต้องการให้คนเขารู้ก็เลยโกหกแล้วโกหกเพื่อรักษาอะไรสักอย่างไว้ไม่ให้คนอื่นเขาเอาไปจากเราอคําถามจากทาง youtube ดรวค่ะคําถามค่อนข้างยาวนะคะขออ่านสรุปนิด น, นึงค่ะ สิ่งที่ลูกมองเห็นณนะปัจจุบันจากการปฏิบตัติเราดิ้นรนขนขวายแต่กับท่าที่เสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มตอนนี้ก็อยู่แบบง่ายๆเท่าที่มีไม่มีปัจจัยใดรสสัคันก็ไม่มีไม่ไปสร้างภาระการนั่งสมาธิทำให้รูปปกติได้มากกับสิ่งแวดล้อมทั้งดีและไม่ดีมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไป ถูกทางแล้วใช้ไหมคะใ ช, ช่วิธีดําเนินชีวิตที่ถูกต้องก็คือทําใจให้สงบลดความอยากลงจนไม่มีความอยากลงหรืออยู่ในใจเลยแล้วใจจะมีความสุขอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่มีอะไรก็มีความสุขได้อยู่ที่ความสงบอยู่ที่ความไม่มีความอยากคําถามจากทาง Facebook ค่ะ สุดท้ายเราต้องแก่ต้องเป็นโรคร้ายแรงจนเราต้านทานไม่ไหวแล้วร่างกายก็หยุดทํางานหมดลมหายใจเราต้องพัดพรากจากทุกๆอย่างไปทั้งครอบครัวทรัพย์สมบัติและและจากร่างกายนี้ด้วยทําอย่างไรเราจะไม่ยึดติดสิ่งเหล่านี้เจ้าคะก็ยอมรับความจริงว่ามันต้องเกิดเหมือนกับเราเร า, เรายอมรับดินฟ้าอากาศเวลาก็พยากรณ์อากาศมาว่าอีกสองสามวันข้างหน้าจะมีฝนฟ้าคะนอง เราก็ห้ามมันไม่ได้เราก็ยอมรับมันไปถ้าเรายอมรับแล้วใจเราก็ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่ยอมรับไม่อยากให้มันมีฝนฟ้าอากาศไม่ดีเราก็จะวุ่นวายใจก็จะไม่มีความสุขถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องยอมรับผบความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นคำถามจากทางยู u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะระหว่างทาบุญกับพระปฏิบัติ กับทําบุญเพื่อให้ได้ประโยชน์กับคนหมู่มากเช่นโรงพยาบาลอย่างไหนอนิสงฆ์มากกว่ากันคะคือการทําบุญนี้มันมีประโยชน์อยู่สองส่วนด้วยกันส่วนแรกคือการเสียสละเงินทองของเราเช่นเราบริจาคเงินพันบาทให้วัดกับบริจาคพันบาทให้กับโรงพยาบาลบุญที่ได้จากการบริจาคเงินพันบาทนี้เท่ากันคือความสุขใจหิมใจนี้เหมือนกัน แต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากโรงพยาบาลจากวัดนี่ต่างกันถ้าเราทําบุญกับวัดเราก็จะได้ประโยชน์ทางด้านธรรมะมีที่ไปปฏิบัติธรรมมีพระมาสอนวิธีการปฏิบัติธรรมให้กับเราถ้าเราทํากับโรงพยาบาลเราก็จะมีหมอมีพยาบาลมาคอยรักษาร่างกายของเราอันนี้ประโยชน์อันนี้ต่างกันคําถามจากทาง facebook ค่ะคุณพ่อเป็นคนโทสะแรงมาก ผมเรียนรู้ธรรมะมาบ้างเลยอยากให้เขาดีขึ้นแต่พอบอกเขาไปเขาก็ยิ่งโกรธหาว่าเรามาสั่งสอนทำอย่างไรดีครับนั่นนะแหะเราควรจะหุบ ป, ปากไม่ควรไปยุ่งเรื่องของคนอื่นครับนอกจากถ้าเขาถามเราก็บอกเขาได้ถ้าเ็าไม่ขอความช่วยเหลือจากเราเราก็เฉยๆไปดีกว่าคำถามจากทาง u t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะ ความดีที่เราทำจะเก็บไว้กับตัวหรือยกให้คนอื่นก็ได้เป็นความจริงหรือไม่ครับส่วนใหญ่การการทาความดีมันเป็นของเรามันจะทำให้เราเป็นคนที่มีนิ ส, สัยดีขึ้นไปตามลาดับส่วนจะให้คนอื่นได้นั้นก็ให้เพียงแต่วิธีบอกเขาท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ความดีกับเราด้วยการสอนพวกเราให้ทำความดีให้ละบาปให้ซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุท แต่ท่านไม่สามารถเอาความดีที่ท่านได้ทาสะสมไว้ในใจนี้มายกให้พวกเราได้พวกเราต้องสร้างกันขึ้นมาเองความดีของแต่ละคนแต่อาศัยการแนะนำการวิชีบอกวิธีได้อยู่แ ต, แต่ไม่สามารถทาแทนกันได้คำถามจากทางคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ การคิดเรื่องเดิมๆซ้ำๆทั้งสุขทุกข์เป็นหนึ่งในการเวียนว่ายตายเกิดไหมครับเท่ากับวัตฏสงสารไหมครับการคิดไปตามความอยากจะพาให้กลัาเวียนว่ายตายเกิดถ้าหยุดความคิดไปในทางความอยากได้ก็จะไม่มีการมาเวียนว่ายตายเกิดกันคำถามจากทาง a c e b o o k พระอาจารย์สุชาติค่ะอยากทราบวิธีการแบ่งเวลาปฏิบัติธรรมในแต่ละวันของชีวิตค่ะเพราะว่าเวลา เพราะเวลาชีวิตส่วนใหญ่เราจะหมดเวลาไปกับการทำงานค่ะก็แล้วแต่เราเร า, เราจะจัดสรรอย่างไรถ้าเราต้องการให้เวลากับการปฏิบัติธรรมมากเราก็ต้องลดการกระทำอย่างอื่นลงไปเช่นเราอาจจะต้องลาออกจากงานถ้าเราลาออกจากงานได้เวลาที่เราไปใช้กับการทำงานเราก็สามารถเอามาให้กับการปฏิบัติธรรมได้เช่นคนที่เข้าไปบวชกันเนี่ย เวลาบวชกับเวลาทํางานนี้เวลาให้กับการปฏิบัติมันต่างกันเวลาบวชนี่มีเวลาเต็มที่เลยทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าเวลาทํางานนี้เวลาจะเอามาปฏิบัติทำนี้มีไม่มากเพราะเวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกับการทำงานดงนนเราก็ต้องเลือกกันว่าเราต้องการอะไรแล้วก็พยายามจัดสรรเวลาตามที่เราสามารถทําได้คําถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ หวงตามหาบัวท่านมักจะช่วยเหลือทางโรงพยาบาลแต่จะปฏิเสธการบริจาคให้โรงเรียนท่านมีเหตุผลอย่างไดครับโอ้ยต้องไปถามท่านแล้วมาถามเราได้ยังไงหมดแล้วเหร อ, อ, ม, อมีสำรองไหมคำถามสำรองอเข้ามาเชิญเข้ามาคำถามสำรอง ขั้นเวลาไว้เวลาที่ยังว่างอยู่รกราวนามัสการพระอาจารย์ค่ะอยากสอบถามเรื่องโลกุตระธรรมกับโลกิยะคะ่ะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรคะโลกุต ร, รธรรมจะพาไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดโลกิยะธรรมนี้เป็นการที่จะทําให้ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นทําอะไรที่ยังอยู่ในขั้นโลกิยะอยู่ ก็คือการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิอันนี้ยังถือว่าเป็นโลกิยะธรรมอยู่เพราะยังไม่ได้กําจัดเหตุที่จะพาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหาความอยากต่างๆถ้าต้องการที่จะหยุดติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องจเจริญโลกุทธะธรรมก็คือขั้นที่ขั้นต่อไปคือขั้นปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถละกิเลสที่ดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ ถึงเรียว่าโลกรุตละทำทำที่ทํําทาให้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีขึ้นไปเนี้่เป็นโลกรุตระทำคือปัญญาต้องเห็นใจรักต้องเห็นอนุญาตสัจสีโอกระจ่างขึ้นเยอะเยอะเลยเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเ ค, อเคดีมากกลาวนมัสการพระจารย์เจ้าค่ะอืม ลูกพึ่งทราบว่าความสงบเกิดจากความสิ้นคิดสิน้นสิ้นความคิดแล้วถึงจะสงบแล้วทีนี้ลูกมีคำถามในตัวของลูกเจ้าค่ะตอนนี้ลูกปฏิบัติแล้วมันทำให้ใจลูกเป็นคนลูกไม่ทราบว่าลูกเป็นคนแข็งเกินไปหรือเปล่าเจ้าค่ะมันทำให้แข็งจากความ ไม่ค่อยเชื่อฟังคําสอนของคนอื่นนะเจ้าค่ะเพราะลูกเห็นว่ามันไม่ได้ไม่ได้จริงอย่างที่เขาบอกหรือลูกก็เลยไม่ค่อยเชื่อเขาเจ้าค่ะ <c oughs> ลูกกลับกลายเป็นคนดื้อรั้นในสายตาคนอื่นแต่บางครั้งลูกก็ดื้อรั้นอาจจะเพราะกิเลส ข, ของลูกเองทีนี้ลูกกำลัพิจารณาว่าลูกมองไม่เห็นความลูกมองไม่เห็นสิ่งที่ลูกเอ ทำกับคนอื่นไปว่ามันผิดหรือมันถูกอะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำให้มีปัญหาในการเข้าสังคมบ้างเจ้าค่ะมีการกระทบกระทั่งกันเจ้าค่ะก็ก่อนจะพูดอะไรก่อนจะทำอะไรให้คิดให้รอบคอบก่อนว่าเมื่อพูดไปแล้วทำไปแล้วจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นตามถ้ามีผลไม่ดีก็ยอย่าไปพูดอย่าไปทำถ้ามีผลที่ดีหรือเป็นผลที่ ไม่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาก็พูดไปทําไปได้ต้องวิเคราะห์ก่อนก่อนที่เราจะพูดอะไรก่อนที่เราจะทําอะไรการฝึกสติของลูกมันจะให้เกิดปัญญาในการมองเห็นแบบนี้ต่อไปไหมเจ้าคะหรือว่าเพราะลูกมีสติไม่พอที่จะมีปัญญาที่จะรู้ว่าคาพูดนั้นจะให้โทษหรือให้ประโยชน์บางครั้งก็ทราบบางครั้งก็ไม่ทราบเจ้าค่ะอาจารย์คือปัญญานี้มันไม่ได้เกิดจากสติ สติเป็นตัวคอยควบคุมความคิดของเราให้คิดไปในทางดีหรือไม่ดีแต่ปัญญานี้เกิดจากการเรียนรู้จากคนที่ฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าดนั้นอยากจะเรียนรู้ปัญญาความรู้ก็ต้องพยายามฟังเทศส่งธรรมอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ดีของพอระอาจานตถาสมุคก็ดีเราก็จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาต้องเรียนรู้ถึงจะรู้ ไม่ได้เกิดจากสติสติเป็นเพลงเดี่ยตัวที่ทำให้หยุดคิดทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้แต่ไม่เกิดปัญญาคนละเรื่องกันลูกเข้าใจว่าการฝึกไปมันจะต้องทำให้คนอ่อนน้อมอ่อนโยนเพื่อรองรับธรรมแต่ลูกอาจจะก็ถูกต้อง เ, อเพยงแต่เราไปฝึกด้านเดียวฝึกงต่สติสมาธิอย่างเดียวเราไม่ฝึกด้านอื่นเราไม่ฝึกการศึกษา การฟังเทศฟังธรรมคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆว่าเราต้องมีความอ่อนน้อมมีความสัมมาคารวะรู้จักที่สูงที่ต่ำเนี่ยทำที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรารู้อยู่มีอยู่ 5, 5้อย่างด้วยกันทำที่ควรรู้ที่จะทําให้เรารอบครอบคือรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าเหตุคือการกระทําของเราทําไปแล้วเกิดผลคือสุขหรือทุกข์ดีหรือไม่ดีตามมา ต้องรู้ทุกครั้งที่เราจะพูดอะไรนี้เป็นเหตุทุกครั้งที่เราจะทำนี้เป็นเหตุเราต้องรู้ว่าผลที่จะตามมาเป็นอะไรคือให้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนก็คือให้รู้จักตัวเราว่าเราเป็นใครเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นครูหรือเป็นนักเรียนเราต้องรู้ฐานะของเราเราจะได้ปฏิบัติตัวของเราให้เหมาะสมรู้บุคคลก็รู้คนอื่น รู้คนอื่นว่าเขาเป็นใครก็ เ, เป็นพ่อแม่เราแล้วก็เป็นลูกเราหรือเป็นเพื่อนเราวิธีปฏิบัติต่อคนแต่ละระดับนี้มันไม่เหมือนกันเราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับบุคคลต่างๆตามฐ า, า, านะของเขาแล้วก็ให้รู้สังคมสังคมคืออะไรก็รู้กฎกติกา ร, ระเบียบของของของสังคมที่เราอยู่เวลาเจอกันเขาก็มีการไหว้กันทักกันอะไรทํานองนี้เวลามี งานศพก็มีการไปแสดงความเสียใจไม่ใช่ไปหัวเราะเย่ะเ ย, ะเยะ้ยเขาอะไรเป็นต้นคือรู้สังคมรู้ประเพณีที่ดีงามรู้มาระยาทพูดง่ายๆแล้วขั้นต่อมาก็ให้รู้รู้การละเทสะให้รู้ว่าสถานที่แต่ลสถานที่เวลาแต่สถานแต่ละเวลานั้นเราต้องไปทําตัวอย่างไรเช่นเราไปงานแต่งงานเราจะใส่ชุดดําไปมันก็ไม่ดี ไปงานศบเราจ ย, ยไปแต่งชุดสวยงามไปก็มันก็ไม่ดีต้องรู้จักกาลเทศะมาที่นี่จะมานั่งคุยกันเปิดเพลงฟังมันก็ไม่ดีมาที่นี่ก็ต้องมานั่งนิ่งๆสงบตั้งอยู่ในความเงียบนี่คือรู้สังคมแล้วข้อสุดท้ายรู้ประมาณรู้ความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปในการบริโภคปจัจจัยสี่อาหารากี่ากินมากเกินไปมันจะอ้วนกินน้อยเกินไปมันจะผอมเป็นต้น ให้รู้ห้าอย่างนี้ห้าหรือหกอย่างนี้น้อมกับต้องศึกษาของเรานี้ดูแล้วก็ไปศึกษามงคลระสุดสามสิบแปดข้อการปฏิบัติสามสิบแปดข้อเพื่อไปสู่พระ น, นิพพานลองไปอ่านดูแล้วจะมีปัญญาเยอะแยะทีนี้น้อมกับพระอาจารย์ก็ค่ะ เ, เรามาปฏิบัติแต่สตินั่งสมาธิอย่างเดียวมันก็แข็งเลย มันต้องมีทั้งอ่อนด้วยแข็งด้วยแล้วใช้ให้มันเหมาะกับกรณีกรณีที่แข็งก็ใช้ความแข็งกรณีที่ต้องอ่อนก็ต้องใช้ความอ่อนเราสามารถปรับเปลี่ยนได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะคนทํางานปกติทั่วไปสามารถฝึกสติแล้วลองใช้ชีวิตแบบพร ะ, ระพระป่ากรรมาฐานได้ไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่าสติมันคนละ อ, อย่างกัน สติในการทำงานนี้มันไม่ได้หยุดความคิดนะสติของการปฏิบัติธรรมนี้ต้องหยุดความคิดสติคนละแบบกันคำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะบุญกุศลจากการให้ทานสามารถทำใหร้ร่ำรวยขึ้นจริงไหมครับก็พระเวสสันดรเป็นตัวอย่างพระเจ้าตอนเป็นพระเวสสันดรท่านก็ทำบุญให้ทานอย่างเต็มที่พ อ, อท่านตายไปท่านก็บอกท่านก็ไปอยู่บนสวรรค์ แล้วพอลงจากสวรรค์มาก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินนี่คืออ น, นิสง์ของทานของพระเวชสันดรที่ทำให้พระจพระพุทธเจ้ามาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะคำถามสักทาง y o u t u ด e อกตรวีค่ะหากเราตกงานไม่มีไรายได้พอมีเงินพอมีเงินเก็บบ้าง แต่ไม่มีกำลังพอจะให้เงินพ่อแม่เหมือนที่เคยให้ได้ตอนเราทำงานปรับสอบถามพระอาจารย์ว่าการที่เราไม่นำเงินเก็บมาให้พ่อแม่ถือว่าเราอักตันยูหรือตำหนีเกินไปไหมคะก็แล้วแต่เราว่ามันมันมันจำเป็นจะต้องให้ท่านหรือเปล่าท่านเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าท่านไม่เดือดร้อนก็ขอพักก่อนก็ได้อ น, นี้เราไม่มีรายได้พอที่จะมาจุนเจือผู้ได้เพราะเราต้องมีรายได้เลี้ยงตัวเราเองไว้ก่อน เราก็เก็บไว้ก่อนได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราพอมีเหลือเฟือพอที่จะแบ่งให้กับผู้อื่นได้เช่นพ่อแม่ของเราก็ควรทําไปเพราะมันจะทําให้เรามีความสุขใจเงินทองเก็บไว้เฉยๆมันไม่เป็นความสุขใจอย่างใดแต่เวลาไปทําประโยชน์มันจะทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาในใจเสรแล้วเหรอโอเค okay. ม, ออมีํานองอีกไหม ไม่มีก้าวแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด